แต่บางคนก็ใช่ก็ยังประคับประคองจะให้เผื่เหมือนพ่อแม่ก็ยังไม่เหมือนอีกทั้งที่พ่อแม่หามาให้แล้วตัวเองจะต่อให้ใหญ่สูงขึ้นไปเนี่ยมันยากอยู่นะเ น, นี่ยแหละแต่ถึงยังไงก็ตามเราจะไปคิดถึงคนอื่นมากจนเกินไปจนตัวเองทุกข์การโ ส, สแสวงหามาเอือเอาถ้าเขามีปัญญาถ้าเขามีบุญบารมีถ้าเขามีปัญญา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 คุณธรรมศีลธรรมจะได้ย่า ร, รมเข้าสู่จิตใจของเราเนเราก็นี่แหละตั้งใจภาวนาแหละท่าตั้งใจภาวนาต้องการปฏิบัติตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์แต่เรื่องทานเราไม่ต้องคิดหรอกถ้าว่าบางคนก็บอกว่านี้มจะสอนให้ทานแต่ตามไม่จริง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 เพราะอเนกสงสานท่านไม่มีอเนกสงสานท่านไม่ยินดีในการทําทานโอ้ไปหายุ่งนะทําทานเสียสละเสียของนี่ไปพอนั่งภาวนาเนี่ยท่านก็ไปนั่งภาวนาปฏิบัติของท่านท่านก็ได้สําเร็จมรรคผลแต่ว่าอเนกสงสานไปบิณฑบาตไม่มีใครเสบ่าให้ฉันเพราะอเนกสงสานไม่มีพวกเราก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันแต่ว่าทําทานแล้วก็ทํา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 หลบเปลีกยปลี่ตัวออกไปภาวนาเอาจริงจังแต่บางครัง้งเอกลับมาพบกับหมู่พวกเพื่อนดูกิจจะวัดคอวัดทําไปแต่บางครัง้งเอาปลีกตัวไปภาวนาดังนั้นะมีหนักมีเบาการภาวนาการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเออละเฮ้ยลอยลมเออละเฮ้ยลอยลมไปเรื่อยไม่มีจุด ไม่มีจุดหนักจุดเบาไม่มีการเร่งไม่มีการภาวนาจะได้เหรอเหมือนกับรถของเรานะ่ะนเวลามันทางมันครุกแลอวรถมันมากเราก็ค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆไปแต่พอมันถนนโล่งแล้วแต่ถนนมันโลง่งมันโปร่งเลยเราอยัางไปค่อยๆไปอยู่อย่างนั้นเหรอ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 เสาล า, าเป็นพื้นมันเรียบมันนะเป็ น, นเผาสล า, าอย่างเนี้ยพื้นเรียบๆอย่างนี้แล้วเอามือขวาเนะกาะต้นเสาเอามือขวาตอกเกาะต้นเสาเดินจงกลมเดินรอบต้นเสาเดินช้าๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธ ท, ท, ท, ท, ท, นะท่านชอบเล่งความเพียรไงยายแก่คนนั้นภิกชุณีแก่คนนั้นะ